รัตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสักกะปัญหาสูตรสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคประทับณถ้ำอินทสาระใกล้เวทยิกกับบรนพศ ท, ทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหม์ชื่ออัมพสนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงราชครืแขวนมคตเท้าสักกะใกล้จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค จึงเรียกปัญจสิกขบุตรคลทันมาชวนให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยกันปัญจสิกขะถือพินมีสีเหลืองเหมือนผลมะตูมไปด้วยเมื่อไปถึงที่ประทับแล้วเท้าสักกะจึงให้ปัญจสิกขะบุตรคลทันหาทางทำความพอพระทยัยให้พระผู้มีพระภาคก่อนที่จะได้เข้าเฝ้าปัญจสิกขาบุตรคลทันถือพินเข้าไปยืนณที่ควรส่วนหนึ่ง ไม่ไกลหรือใกล้เกินไปดีดพินกล่าวคาถาเกี่ยวด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์และกามพระผู้มีพระภาคตรัสชมแก่ปัญจสิกขาบุตรคนทันว่าเสียงพินกับเสียงเพลงขับเข้ากันดีแล้วตรัสถามว่าคาถาอันเกี่ยวด้วยพระพุทธเป็นต้นนี้แต่งไว้แต่ครั้งไรปัญจสิกขกราบทูลว่า ตั้งแต่ครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆประทับที่ต้นอาชา ป, ปาระนิโครธใกล้ฝั่งน้ำเนรัญชาราพระั้นได้โอกาสเท้าสักกะพร้อมด้วยบริวารก็เข้าไปเฝ้าเมื่อได้ตรัสสมุทนียกถาพอสมควรแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงเปิดโอกาสให้เท้าสักกะกราบทูลถามปัญหาได้ ต่อไปนี้เป็นคำถามและพระพุทธดำรัสตอบถามเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันและหมู่สัตว์เป็นอันมากอื่นๆถูกอะไรผูกมัดแม้ตั้งใจว่าจะไม่จองเวรไม่ใช้อาชญาไม่มีศัตรูไม่เบียดเบียนอยู่อย่างไม่มีเวรแต่ก็ต้องจองเวรใช้อาชญามีศัตรูเบียดเบียนและอยู่อย่างมีเวรตอบ มีความริษยาและความตรณีเป็นเครื่องผูกมัดถามความริษยาและความตรณีเกิดจากอะไรตอบเกิดจากสิ่งเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักก็ไม่มีความริษยาและความตรณีถามสิ่งเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเกิดจากอะไร ตอบเกิดจากความพอใจเมื่อไม่มีความพอใจก็ไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักสาหรับคำว่าความพอใจแปลจากคำว่าชันทะอัรธกถาอธิบายว่าชันทะมีห้าประการคือ 1. บริเยสนะชันทะความพอใจในการสแสวงหา 2. ปฏิลาภชันทะความพอใจในการได้มา สาบริโภคฉันทะความพอใจในการบริโภคหรือใช้สอย 4. ีสันนิธิฉันทะความพอใจในการสะสม 5. วิสัญชนะฉันทะความพอใจในการสะละคำถามข้อที่4ความพอใจเกิดจากอะไรตอบเกิดจากความตรึกคือวิตกเมื่อไม่มีความตรึก ก็ไม่มีความพอใจความตรึกเกิดจากอะไรตอบเกิดจากปปัญจสัญญยาสังขานิธานคือส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้าในที่นี้วงเล็บไว้หลังส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสว่าตัณหาความทยานอยากมานะความถือตัวทิฏฐิความเห็น คำถามข้อที่6กิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควรที่ให้ถึงความดับส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุให้เนื่อนช้าตอบโสมนัสความดีใจโทมนัสความเสียใจอุเบกขาความวางเฉยมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งควรส้องเสพอีกอย่างหนึ่งไม่ควรส้องเสพ คือเมื่อซ่องเสพสมนันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลธรรมเสื่อมไปอากุศลธรรมเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ควรซ่องเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ควรซ่องเสพธรรมหรือธรรมะที่ควรซ่องเสพนั้นคือมีวิตกความตรึกมีวิจารความตรอง ที่ไม่มีวิตกวิจารณ์แต่ปราณีขึ้นไปกว่าตรงนี้หมายถึงโสมนัตเป็นต้นอันเกิดเพราะเนคั ม, มะบ้างเพราะวิปัสนาบ้างเพราะอนุสติบ้างเพราะปฐมฌานเป็นต้นบ้างภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควรที่ให้ถึงความดับส่วนแห่งความกำหนดหมายกิเลสเป็นเหตุใหเนื่นช้า คำถามข้อที่7ภิกพสุปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมปาติโมก ค, คือศีลที่เป็นใหญ่เป็นประธานตอบความประพฤติทางกายคือกายสมาจารความประพฤติทางวาจาวาจีสมาจารและการสแสวงหาคือป ร, ริเยสนาย่างหนึ่งควรซ้องเสพอีกอย่างหนึ่งไม่ควรซ่องเสพ คือเมื่อซ่องเสพความประพฤติทางกายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งกุศลธรรมเสื่อมไปอกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ควรซ่องเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมจเจริญขึ้นสิ่งนั้นก็ควรซ่องเสพภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสํารวมปาติโมกคําถามข้อที่8 ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตอบอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีสองอย่างอย่างหนึ่งควรซ้องเสพอีกอย่างหนึ่งไม่ควรซ้องเสพเพราะตรัสถึงเพียงนี้ท้าวสักกะก็กราบทูลว่า เข้าใจความหมายว่าที่ไม่ควรซองเสพและควรซองเสพนั้นกําหนดด้วยเมื่อซองเสพและอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมจะเจริญกันแน่คําถามข้อที่9สมณพราหมณ์ทั้งปวงมีวาทะมีศีลมีชันทะมีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่เพราะโลกมีธาตุเป็นอนเนก มีธาตุต่างๆกันสัตยึดถือธาตุอันใดก็กล่าวเพราะความยึดถือธาตุนั้นว่านี้แหลจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะคำถามข้อที่สิบสมณพราหมทั้งปวงมีความสำเร็จมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องยึดหรือโยคะเคมีเป็นพรหมจารีมีที่สุดล่วงส่วนใช่หรือไม่ คำว่าล่วงส่วนหมายความว่าเด็ดขาดไม่กลับกำเริบหรือแปรปวนอีกตอบไม่ใช่จะมีความสำเร็จเป็นต้นล่วงส่วนก็เพราะผู้ที่พ้นแล้วจากตัณหาคือความทยานอยากเท่านั้นเท้าสักกะจึงกราบทูลว่าตัณหาอันทาให้วันไหวเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรย่อมฉุดคร่าบุรุษ เพื่อให้เกิดในภพนั้นๆถึงความสุขบ้างต่ำบ้างครั้นแล้วได้แสดงความพอใจที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาแก้ความสงสัยได้เท่าที่เคยไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแทนที่จะตอบกลับมาย้อนถามว่าเป็นใครครั้นรู้ว่าเป็นเท้าสักกะก็กลับถามปัญหายิ่งยิ่งขึ้นว่าทากรรมอะไรไวจึงเกิดเป็นเท้าสักกะ ท้าสักกะก็ตอบไปตามที่ได้ฟังที่ได้เล่าเรียนมาสมณพราม์เหล่านั้นก็อิ่มเอิบใจว่าได้เห็นเท้าสักกะได้ถามปัญหาและเท้าสักกะได้ตอบแก่เรากลายมาเป็นสาวกของข้าพระองค์ไปครั้นแล้วได้กล่าววาจาสุภาษิตอีกหลายประการในที่สุดได้เอามือลูบแผ่นดินแล้วเพลงอุทานว่า นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรวมสามครั้งหมายเหตุพระสูตรนี้มีท่วงทานองจะแก้ความเคารพบูชาเทวดาสำคัญสาคัญเช่นพระอินทร์หรือเท้าสักกะของบุคคลส่วนใหญ่โดยชีย้ให้เห็นว่าในพระพุทธศาสนาเทวดาเหล่านั้น ยังต่ำกว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาตรัสรู้เท่ากับเป็นหลักการอันหนึ่งที่แสดงว่าท่านผู้เป็นพุทธเป็นผู้ตรัสรู้หมดกิเลสมีความบริสุทธิ์สะอาดสูงกว่าเทวดาทั้งปวง